ผิดอย่างนู้นผิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนั้นไม่ถูกต้องอย่างนี้เอ อ, ออกมาเป็นระรอกระรอกเมื่อพระพุทธเจ้าประณีพาน อ, อไปแล้ว อ, อพวกเราเ อ, อ, อยู่แบบสบายไม่มีใครด่าว่ากล่าวให้กับพวกเรานะนเนี่ยนี่แหละสุภัททะที่บวชภายแก่เห็นเขาคิดอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นโลกใบนี้มันมีมากห ล, ลายลาย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 อย่างพวกเราทันทั้งหลายเห็นอดูเส้นสรรพสัตต์ในโลกทุกวันในเขามีเรื่องท่องโลกให้ดูสรพพสัตว์มีสิงโตมีสิงมีช้างมีกระทิงมีอะไรมีอะไรต่อไม่อะไรมีแต่เรื่องฆ่าอกันกินแฉ่งแย่งกันกินต่อสัพพสัตว์ในโลกมันดูดูแล้วมัน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 คือการมะกเกล็ราคาบังโทสะาบาังโมหะมนีนางตันหาราคานะตันหาคือความทะยานอยากราคา ค, คือความชอบความใคร่นะตันหาราคาอราดีนะี่ยยินดีในโลกวั ะ, ะสงสารนี่แหละอันนี้ก็คือพระพระองค์ในขณะที่จะนั่งภาวนาพระองค์นึกย้อนไปถึงอดีต อ, อยู่สมัยเป็นอยู่ในเวียงหวัง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 ทาสีนะนีคือเนคขมะทําจิตใจให้ออกจากกามกิเกลสดซะก่อนออกมาออกมาอยู่ตามลาพังซะก่อนถือพลบพดพมจันซะก่อ น, นทาสีนะปะหุแแบปะเนี่ยแปล ว, ปา ว, ปาวป่าปัญญาให้ใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลในเรื่องต่างๆปะวิเนียคือวิริยะให้มีความเพียรให้มีความเพียรในเรื่องนั้นๆ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 อย่าไปเห็นแก่ตัวจะไปเอารัดเอาเปียบคนอื่นเขาจนเกินไปอ่ะเมอุกเนะี่ยคือให้มีอุอเปกขาเนะี่ยอุเปกขาคือบางสิ่งบางอย่างมันเหลือมันเหลือวิสัยเราเนี่เราจะทำได้เมันสุดวิสัยไม่รู้จะทำยังไงเมื่อนคนจะตายนะเราจะไปตายแทนเขาก็ไม่ใช่เราจะไปช่วยเขายัางไงก็ช่วยไม่ได้เราก็ต้องวางอุเปกขาในใจของเราโอ้ใช่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 อันนี้อยากจะให้พวกเราทุกทท่านอ่ ะ, อะคิดดูซิที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะให้ฟังเนี่ยน ะ, ะเป็นแนวแถวไหมหลวงพอ่อหลวงพ่อว่ามั่นใจนะจึงได้บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพระเนนลูกหลานน้องนุ่งทางหลายศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่หลวงพ่อว่าคิดหลวงพ่อคิดว่าถูกต้องแล้วจึงได้พูดนะจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า